เราพ่อเห็นเด็กแล้วกลัวไม่รู้จะเทศยางไงเนาะสอนพ่อสอนแม่ก็แล้วกันพ่อแม่มาด้วยเรามีลูกเล็กๆนะเป็นภาระมากพระพุทธเจ้าบอกบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตรแต่ว่าเรามีซะแล้วขอะเรามีขันห้านะมีแฟนก็มีขันสิบ อันนี้มีขันที่ต้องดูแลมากขึ้นมีขันสิบห้าขันยี่สิบอะไรเงี้ยภาระมันมากเราว่ามีความสุขมีลูกบางทีมีลูกก็มีความทุกข์ลูกไม่ได้อย่างใจงั้นมีลูกก็ต้องรีบภาวนา เราไม่รู้เลยโตขึ้นโลกเราจะเป็นไงจะดีหรือจะเลวเราก็ไม่รู้มันบางทีเป็นคนดีนะแต่ไม่ทันผู้ทันคนอะไรย่างนี้เราก็ลำบากด้วยโลกนี้ร้ายจะตายโลกนี้ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไห ร, ร่หรอกมันเบียดเบีย น, นกันนี่ถ้าเรามีภาระอย่างนี้นะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราเอาลูกมาทำกรรมาฐานซะเลย ไหนๆมันเป็นภาราแล้วนะเอามาใช้ประโยชน์ทำกรรมฐานเลี้ยงลูกไปภาวนาไปทำง่ายเวลาเราอยู่กับลูกนะจิตจะแ่งขึ้นแ่งลงเวลาลูกน่ารักก็รู้สึกรักเยอะวนะิงทีก็โมโหสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ชื่นอกชื่นใจ เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจเราไปเรื่อยๆเลี้ยงลูกไปล้วก็รู้ทันใจไปทําง่ายแค่จะป้อนข้าวลูกเราก็ดูจิตเราได้แล้วป้อนแล้วมันกี่นาวกี่นาวนะเราก็มีความสุขพอพอใจป้อนแล้วมันไม่ยอมเคี้ยวมันเอาไปอมไม่เฉยๆนะเราก็หุนหิดเลยจะรีบไปทําอย่างอื่นนี่ดูง่ายๆเลยเวลาลูกสดชื่นแข็งแรงเราก็มีความสุขเราก็รู้ทัน โรคเก็บใข้ได้ป่วยเรากลุ่มใจมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ทันไหนๆก็มาเป็นภาระของเราแล้วนะเอามาทำกรรมฐานซะให้เข็ดเลยแล้วก็ดูของเราไปด้วยไม่ยากอะไรหรอกกรรมฐานคอยรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาแล้วก็ดูกายดูใจเขาทางานไปด้วยก็จะเห็นไตรลักษณ์จิตใจเงนี้ เอาลูกมาทำกรรมฐานตาเรามองเห็นตาเรามองเห็นลูกสดชื่นเราก็มีความสุขรู้ว่ามีความสุขเห็นลูกไม่สบายใจเรามีความทุกข์เราก็รู้ว่ามีความทุกข์ได้ยินเสียงลูกคุยจ้อยจ้อยใจยใจเราเพลิดเพลินรู้ว่าเพลิดเพลินได้ยินเสียงลูกร้องเจ็บปวดใจเราก็เจ็บปวดด้วยเราก็รู้ทันอีก ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วก็มาพอวนาฝึกมากมากนะอย่างนี้พอทำได้ไม่เสียเวลาการทำกรรมฐานจริงๆนะั้ไม่เบียดบังเวลาทำอาหารกินหรือเวลาทํางานอะไรของเรายกเว้นงานที่ต้องใช้ความคิดนะอย่างเราเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ มาดูกายดูใจไม่ได้ดูกายดูใจเขียนไม่ได้ความคิดมันดับแต่ถ้าทำงานอย่างอื่นนะอย่างเลี้ยงลูกดูแลบ้านขับรถอะไรเงี้ยแล้วภาวนานได้หรือการใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยเอามาภาวนานได้ตั้งแต่ตื่นนอนพอ ต, ตื่นขึ้นมานะร่างกายเราอยู่ท่าไหนก็คอยรู้สึกนี่นอนเอามือไปพาด ตรงโน้นตรง น, น, รงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนอนเอียงซ้ายเอียงขวาอนะไรรู้สึกเห็นร่างกายมันนอนใ่เราเป็นแค่คนดนะูหรือพอตื่นขึ้นมาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราค่อยรู้เช่นตื่นขึ้นมาแล้วนึกขึ้นได้วันนี้วันจันทร์นะใจเราแห้งแล้ง<ม>ขี้เกียจไปทํางานอนะไรเงี้ยรู้ว่าขี้เกียจเนี่ยตรรมาฐานนะมันไม่ใช่เรื่องกินเวลาเราหรอกใช้เวลาทําปกตินี่เอง ทำงานทำกิจวัตรของเราปกตินี่เองแล้วก็คอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกาของใจไปนึกได้ว่าวันจันทร์ใจก็แห้งแล้งวันอังคารขี้เกียจวันพุธนี่เซ็งมากเลยวันพฤหันมีความสุขละเริ่มกระดีกระดาหน่อยหน่อยวันศุกร์กระดิกระดามากวันเสาร์จะได้หยุดงานมีความสุขตั้งแต่ บ่ายวันศุกร์หรือเช้าวันศุกร์บางคนก็เริ่มมีมีความสุขแล้วมีความสุขไปจนถึงกลางวันวันอาทิตย์ช่วงบ่ายวันอาทิตย์เริ่มใจแห้งแรงอีกแล้วจะต้องไปทำงานอีกแล้วกรรมฐานนี่ง่ายก็รู้ทันใจเรื่อยๆจะเห็นใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาเลยอย่างวัน น, น้นวันนี้ใจเราเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะความคิดใจเราคิดขึ้นมา ว่าวันนี้วันจันท์ต้องทำอะไรนี้วันอังคารต้องไปทําวันนี้อะไรเงี้ยยังต้องทํางานหลายวันวันพฤหัสเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะวันสุดท้ายแล้วนะเริ่มมีความสุขอะไรเงี้ยหรือเวลาลองวิกเอนลาวันนี้ลาวันนี้หัวลาท้ายนิดหน่อยได้วันหยุดเยอะอะไรเงี้ยใกล้ๆลองวิกเอนดีใจรู้ว่าดีใจ มันวิกเอนตั้งแต่ก่อนจะถึงวันลองวิกเอนซะอีกนะนสบายใจจะค่อยรู้ทันใจิตใจของเราไปมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ร้ายก็รู้นะบางทีนึกถึงคนคนนี้ขึ้นมาใจเกลียดรู้ว่าเกลียดยังไม่ทันเจอตัวนึกถึงเขาก็เกลียดเขาแล้วหรือบางทีนึกถึงคนนี้ก็ชอบนะในี่ใจมันคิดมันนึกนะความรู้สึกก็เปลี่ยน สรุปง่ายๆก็คือเมื่อตามองเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจ ม, มูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างเวลาอากาศร้อนๆ น, นะลมเย็นๆโชยมาใจเราก็มีความสุขนะเวลาอากาศหนาวๆ น, นะลมเย็นๆโชยมานะใจมันสยดสยองนะ ดูความเปลี่ยนแปลงของใจเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะการปฏิบัติในชีวิตประจาวันนะรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปหรือจะดูกายก็ได้เห็นกายมันทำงานไปมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันหายใจออกมันหายใจเข้านะเห็นร่างกายมันทงาน แต่พวกเราคนรุ่นใหม่เนี่ยวันวันหนึ่งมีเรื่องต้องคิดมากความรู้สึกมันเปลี่ยนเร็วเราะนั้นถ้าไม่ดูกายก็ดูจิตเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูมากอะไรที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมากอันนั้นแหละสอนกรรมฐานเราได้ง่ายอย่างจะดูร่างกายว่าไม่เที่ยงนี่ดูยากแต่ถ้าจะดูจิตใจว่าไม่เที่ยงนี่ดูง่ายเปลี่ยนเร็ว ร่างกายนะันที่ดูยังไงก็เหมือนเดิมดูเช้าถึงเย็นก็เห็นเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนจิตใจนะั้นมันเปลี่ยนเร็วนะยันถ้าคนไหนทํางานที่ต้องคิดต้องอะไรมากนะวันๆหนึนน่งกระทบอะไรต่ออะไรรวดเร็วรุนแรงก็คอยดูจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปห้ามใจไม่ให้เปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าตาเห็นรูปใจต้องอุเบกขา หูได้ยินเสียงใจก็ต้องอุเบกขาใจไปคิดใจก็ต้องอุเบกขาไม่ใช่เห็นลูกร้องไห้นะก็ตกใจก็ได้ไม่ใช่ต้องอุเบกขาเห็นลูกมีความสุขดีใจก็ได้ไม่จำเป็นต้องอุเบกขาอย่าไปแกล้งอุเบกขามันมีความสุขก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันร้ายก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงจิต รู้ซื้อรู้ไปสบายสบาๆดูแล้วดูอีกสุดท้ายปัญญามันก็เกิดมันเห็นในจิตใจนี่เป็นของไม่เที่ยงจิตใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้พอเห็นความจริงนะมันไม่อยู่ในอำนาจเราหรอกไม่ใช่เราหรอกพอเห็นความจริงว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตัวเราจะไม่มีอีกแล้ว เพาะสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเหนเหียวแน่นที่สุดก็คือจิตนั่นเองถ้ากระทั่งจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา <away>? <thoughts> ในสามโลกธาตุนี้จะไม่มีเราอีกแล้วร่างกายไม่ใช่เราพอเราเข้ามาถึงจิตเราเห็ <S <S นวะ่าร่างกายอย่างมากก็เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปละความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นความรู้สึกของเราอย่างมากก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าได้โสดาล์เราจะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรา ก็จะรู้สึกแต่ว่ามันเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมร่างกายก็เป็นแค่รูปธรรมไม่ใช่ของเราเป็นของโลกจะรู้สึกงั้นนะแต่ถามว่ายึดไห้ยึดห่วงไหมยังห่วงอยู่คล้ายๆยืมสมบัติเข้ามาใช้แล้วคิดว่าสมบัตินี้นำความสุขมาให้นำความพอใจมาให้ไม่ยอมคืนเจ้าของว่ายืมใครไปยืมแหวนเพชรเข้ามาใส่ รู้ว่าไม่ใช่ของเรานะแต่ว่ามันรักใคร่ผูกพันไม่ยอมคืนนะี่ขันห้านี้ก็เหมือนกันนะเป็นพระโสดาบันเราก็จะรู้แล้วไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่ของเราหรอกเป็นของโลกแต่ว่ารักใคร่ห่วงแหนนะความยึดถือยังอยู่ความเห็นผิดว่าเป็นเราไม่มีแต่ความยึดถือนะยังมีอยู่นะระหว่างความเห็นผิดกับความยึดถือเนี่ยเป็นธรรมะคนละขั้นกันเป็นกิเลสคนละระดับกัน พระโสดบันเนี่ล้างความเห็นผิดแล้วแต่ความยึดถือยังอยู่นะค่อยภาวนาต่อไปไอซี่ว่าเป็นของดีที่ว่ามันเป็นของวิเศษนะน่ารักน่าหวงแหนนะดูเข้าไปเรื่อยเรื่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะก็เริ่มเห็นเไม่ใช่ของดีจริงหรอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่ไม่ได้อยู่ในอานาจของเราจริงเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริง ร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยเนี่ยเราจะเริ่มคืนสมบัติของโลกให้โลกแล้วเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ของที่เราเห็นว่าดีดีนะไม่ยอมคืนเจ้าของอะ่ะเอาเข้าจริงไม่ใช่ของดีนะ จะภาวนาไปเรื่อยเห็นร่างกายไม่ใช่ของดีมันก็คืนกายให้โลกไม่ยึดถือกายแต่ไปกายจะแก่ก็เรื่องของกายกายจะเจ็บมันก็เรื่องของกายกายจะตายก็เรื่องของกายภาวนาไปเรื่อยหมดความยึดถือร่างกายหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่เรียกว่าร่างกายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเมื่อตายังไม่ยึดนะก็ไม่ยึดรูปตายังไม่เอาเลยจะไปเอารูปทําไม แล้มีตาถึงจะเห็นรูปเนื้อตายังไม่ยึดถือเลยรูปก็ไม่ยึดถือถ้าเรายึดถือรูปนะเราก็ยังยึดถือตาอยู่ถ้าไม่ยึดถือตานั้นก็ไม่ยึดถือรูปเสียงก็ไม่ยึดถือหูเรายังไม่ยึดถือเลยกลิ่นแล้วก็ไม่ยึดถือนะเพราะจมูกก็ไม่ได้ยึดถือสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายก็ไม่ได้ยึดถือนะเพราะร่างกายนี้ก็ไม่ได้ยึดถึงเนี่ยพอนานนะ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระที่มากระทบกายนะก็เป็นของที่ไม่มีความหมายไม่ยึดถือมัอนมันมีก็สักว่ามีใจไม่กับเพิ่มขึ้นไม่ก็เพิ่มลงนะเห็นรูปสวยๆใจก็ไม่หลงเพลิดเพลินยินดีเห็นรูปไม่สวยใจก็ไม่หลงยินร้ายกามและปฏิฆะไม่เกิดขึ้นเป็นภูมิธรรมของพระอ น, นะ น, น, นาคามีนะนั้นพระอนาคามีนจะแจ้งกาย จะแจ้งว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีเราคืนกายให้โลกได้ไม่คืนได้จริงๆนะมันปล่อยพวกเราบางคนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นหรอกว่าจิตมันปล่อยกายได้นี่จิตปล่อยจิตเนี่ยดูยากมากนะจิตมันปล่อยวางจิตได้นั้นวางปุ๊บลงไปเลยมันเป็นอิสระขึ้นมาแต่จิตปล่อยวางกายง่ายกว่าปล่อยวางจิตอีกแต่ส่วนใหญ่ในห้องนี้ก็ยังปล่อยวางกายไม่ได้ส่วนใหญ่ในห้องนี้ปล่อยวางอารมณ์ได้ ปล่อยวางอย่างความสุขความทุกข์อะไรเกิดนะจิตไม่เข้าไปจับงั้นได้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตไม่เข้าไปจับนะปล่อยปล่อยตัวอารมณ์แต่ปล่อยความยึดถือไม่ได้ต้องเห็นทุกข์งั้นถ้าเห็นทุกข์ก็จะปล่อยวางได้เห็นร่างกายเป็นทุกข์ก็ปล่อยวางร่างกายเห็นจิตใจเป็นทุกข์ก็จะปล่อยวางจิตใจเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคัน้นเป็นทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจไม่ใช่ตัวเรานี มันคล้ายๆยืมของเข้ามาใช้เดิมไม่เคยไม่ยอมคืนเพราะว่าคิดว่าเป็นของดีแต่มาดูไปดูไปเฮ้ยแหวนเพชรที่ยืมมานี่มันเพชรเก้นี่ยไม่ใช่เพชรดีจริงหรอกไเห็นว่าเป็นเพชรเก้แลนะ้วเอาไปคืนเจ้าของไม่เห็นจะน่ารักเลยเนี่ยเราพอนาน้ําจิตมันเดินแบบเนี้ทีแรกก็เห็นกันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของของโลกยืมเข้ามาใช้แต่ยังหวงอยู่เพราะว่าเชื่อเป็นของดี มาเจริญสติเจริญปัญญามากขึ้นไม่ใช่ของดีหรอกเป็นของเก้ทั้งหมดเลยกนะ็เอาไปคืนคืนเจ้าของคืนโลกไปคืนเป็นลำดับลำดับนะจิตจะพลากออกจากขันไม่เข้าไปยึดขันไม่มีอะไรมีความสุขเท่าเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะไม่มีน้ำหนักอะไรเกิดขึ้นในใจไม่มีภาระอะไรเกิดขึ้นในใจอีกน้ำหนักมีอยู่ที่ขันภาระมีอยู่ที่ขันเท่านั้น นั้นภาวนานะมีความสุขมากมีสารภาพมากเบื้องต้นมีลูกไปแล้วนะมีขันมากกว่าคนอื่นนะนะก็ค่อย <c oughs> เอามันมาทํากรรมฐานเลยอย่าไปเลี้ยงมันเสียเวลาเปล่าเล่านะเอาลูกมาทํากรรมฐานดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตาเรามองเห็นเด็กนะใจเราเป็นไงเรารู้หูเราได้ยินเสียงของเด็กนะใจเราเป็นไงเรารู้นะฝึกให้มากเลย เวลาไม่ได้อยู่กับลูกนะอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เขารู้เท่าทันไปเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายปัญญามันแก่รอบมันจะเห็นว่าไม่มีเราไม่มีตัวเร า, ไ ม, มเราไม่มีของเรานะันนั้นได้โสดาบันต่อไปปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดก็จะเห็นมีแต่ตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวอะไรก็เป็นตัวทุกข์ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่ปัญญาแทงตลอดในตัวทุกข์นี้แหละจิตก็จะปล่อยวางตัวทุกข์คือปล่อยตัวก้อนธาตุก้อนขันนี่เองจะปล่อยทิ้งไปก็พ้นกันตรงนั้นเองในพระไตรปิฎกพูดถึงการเจริญสติปัฏฐานนะให้พูดถึงปุถุชนเจริญสติปัฏฐานนะ ก็เพื่อจะได้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะพูดถึงการเจริญสติปัฏฐานของพระโสดาบันพระสกทาขาพระนาคานะก็เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจอีกแต่พระอราหันต์เนี่ยเจริญสติปัฏฐานไหมก็เจริญเพราะว่าเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นนะท่านบอกพระอราหันต์เจริญสติปัฏฐานจิตพรากจากขัน จะเล่นไปอย่างนั้นเองแต่จิตแล้วกับขันเนีไม่กระทบกระตั้งกันจิตไม่ไปยึดขันถ้าเราถืออะไรไว้เราก็มีน้ําหนักขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่ยงเราเพ่อเคยถามเลยเนี่ยกระติกนี้นะกระพัดเนี่ยไหนหนักกว่ากันนะกระติกก็หนักใช่ไหมมันเหล็กอน่ะมันมีน้ำข้างในเนะ่ยถ้าเราวางลงไปนะพัดจะหนักกว่ามันนะในความรู้สึกของเราของที่ว่าเบาเบานนะแต่ถ้าถือไว้ก็หนักเหมือนกัน นะถ้าไม่ถือเบาวกว่าใช่ไม้มจิตนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันปล่อยวางขันลงไปแล้วนะนคล้ายๆมันทิ้งทุกอย่างลงไปแล้วมันเบามันไม่มีน้ำหนักขันทั้งห้าเป็นภาระคือเป็นของหนักคนทั้งหลายแบกของหนักเอาไว้นะไม่พ้นจากทุกพระริยะเจ้าคือพระอรหันนี่วางของหนักลงแล้วนะแล้วไม่หยิบช่วยขึ้นมาใหม่ก็เลยพ้นจากทุกนะไม่มีความทุกข์เอง คิดดูถ้าเราจะต้องไปไหนเราก็ต้องถือแต่พัดอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนะมันจะลาคาญไหมจะทุกข์ไหมถ้ามันเป็นพัดแหมเป็นทองคําฝังเพชร ถ, ถือแล้วโก้นะหนักแค่ไหนก็ยังถือใช่ไหมเพราะว่าจะได้หน้าได้ตาแตถ้าดูไปแล้วไม่ใช่ของดีเลยพัดกโุโลกโสอย่างเงี้ยถืออยู่ทําไมก็จะทิ้งไปไม่เสียดายถ้าเราเห็นขันนะไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจะปล่อยขัน การรู้ทุกข์การรู้ความจริงของขันว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษนี่คือทางรอดของเราถ้ารู้ทุกได้เมื่อไหร่ก็จะละความอยากอยากอะไรก็อยากให้ขันเป็นสุขอยากให้ขันพ้นทุกข์ไปอยากมันทําให้ขันยังไงมันก็เป็นตัวทุกข์มันพ้นพ้นทุกข์ไม่ได้มันมีความสุขไปไม่ได้จริงหรอกมันเป็นตัวทุกข์ถ้เห็นอย่างนี้มทิ้งเลยดังนั้นไปภานานะค่อยๆฝึกทําทุกวันทุกวัน ความตายมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้นะเลอย่าให้เสียดายว่าไม่ได้ภานารีบภาวนาซะ ก, ก่อนคอยดูคอยดูไปความตายมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้นะเพะฉะนั้นเราต้องพร้อมเสมอจะพร้อมได้แตเมื่อใจเราได้ผ่านการฝึกอบรมมาให้มากนะ มากพอจนถึงจุดที่ว่าถ้าจะต้องตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าจะตายเดี๋ยวนี้ก็ยังร่าเริงใจพวกเราในห้องนี้ใครที่จะตายเดี๋ยวนี้แล้วร่าเริงใจได้บ้างมีไหมไม่มีเลยเหรอเรลือแต่ผู้มีพาระใช่ไหย ม, มีภาระยังมีพาระการภาวนาแต่ความตายไม่ไม่มีการผัดถอนนะ ไม่แน่บางคนป่วยงอนเง่งอนเงน่ป่วยงอนเง่อยู่งั้นไม่ตายสักทีเลยคนหนุ่มคนสาวตายไปเยอะแล้ว <c oughs> ความตายเนี่ยไม่มีซีเนริตี้นะไม่มีลําดับเราต้องเอาวุโสก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าความทุกข์จะมาถึงตัวเมื่อไร่อาจจะไม่ถึงตายแต่ความทุกข์มันมาถึงตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ อย่างตอนนี้น้ำมาแล้วเห็นไหมใต้ฝุ่นเขาเรียงแถวเข้ามาเข้าฟิลิปปินลูกหนึ่งแล้วอยู่ในทะเลเตรียมจะเข้าอีกลูกหนึ่งเรียงแถวกัน3ลสามลูกเรียงกันสวยงามมาก <c oughs> ลูกหนึ่งเข้ายินเดียแล้วอีกลูกหนึ่งเข้าฟิลิปปินเดี๋ยวเข้ามาเมืองไทยแหละแต่มันคงอ่อนหน่อยบรรพุรุษเราเลือกที่อยู่ดีนะ ไม่โดนภัยธรรมชาติร้ายแรงแค่น้ําท่วมเรื่องธรรมดามันเลือกมาอยู่ตรงนี้นะมันตั้งบ้านตั้งเมืองเพราะน้ําท่วมนะงั้นน้าท่วมมานี่ก็ ถ, ถูกต้องแล้วไม่ท่วมกะแปลกเนี่ยน้ําจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะน้ามาแล้วจะท่วมบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะท่วมแล้วจะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้เลย ข้าวของก็แพงขึ้นแพงขึ้นนะถูกสิ่งทุกอย่างปัญหาทั้งนั้นเลยทุกทั้งนั้นเลยลูกจะสอบได้เปล่าก็ไม่รู้ีลูกเล็กๆจะสอบได้ไหมก็ไม่รู้สอบเสร็จแล้วจะไปต่อโรงเรียนไหนจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่รู้นะนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนงั้นต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีนะ พาจิตพาใจให้เรียนรู้ให้เห็นนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยของโชคคราวทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่นอน บ, บังคับไม่ได้ถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะมันจะไม่ทุกยอมรับไม่ได้ไม่จะทุกเราไม่ได้ปรงนะการปรงให้ตกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธงานปลงนี่เป็นงานกระจกงอกง่อย เดี๋ยวเราดูของจริงดูจนใจยอมรับความจริงไม่ต้องปลงปลงนี่มันน้อมใจเอาดูเจอเห็นเลยทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยทุกอย่างมันบังคับไม่ได้ทั้งหมดเลยทุกอย่างมันมีแต่ของไม่ดีนะมันบีบคั้นถใจมันยอมรับตรงนี้ได้เราก็จะอยู่กับความทุกขนะ์อยู่กับกองทุกข์อย่างเดิมนี่แหละอยู่กับขันห้าขันสิบขันสิบห้าขันยี่สิบนี่แหละนะแต่ว่ามันไม่ทุกนะ ใจมันไม่ทุกข์อยู่กับทุกข์แต่ใจมไม่ทุกข์เหมือนอยู่ในกองไฟนะแต่ร่มเย็นแปดมากเลยภาวนานะเหมือนเราอยู่กลางกองไฟเลยโลกนี้เป็นไฟทั้งกองเลยแต่มันร่มเย็นอยู่ภายในท่านพุทธาท่านชอบพูดเลยเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูงูมันไม่กัดลิ้นมันหรือไงก็ไม่รู้นะบอกไม่มีอันตราย ถ้าเราพอวนานดีนะนเหมือนเราอยู่กลางกองไฟโดยที่ไม่ร้อนอมันร่มเย็นมีความสุขไฟจะไหม้อะไรมันก็มีความสุขอยู่งั้ น, นะนฝึกนะเป็นทางที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรจริงๆนะหลักของการฝึกถือศีลหข้อ1ข้อ2ทุกวันต้องซ้อมในรูปแบบ เป็นการซ้อมฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกัตัวหรือซ้อมเดินปัญญาถ้ามันตั้งมั่นแล้วอันที่3ามก็จเจริญสติจเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันก็คือถือศีลหปฏิบัติในรูปแบบนอกเวลาของการทําในรูปแบบว่าปฏิบัติในชีวิตประจําวันพาจิตมันเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากที่สุดเลยพามันเรียนรู้นะไม่ใช่ไปแทรกแซงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรับกฎ ให้มันปรากฏไปแล้วจิตเราเป็นยังไงเราเรียนรู้ไปได้วยร่างกายเราเป็นงไงเราเรียนรู้ไปได้วยถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะปล่อยวางปล่อยได้ก็พ้นทุกไปนะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนถ้เาเปลี่ยนแทนข้าวนะ